คนหนึ่งในเรื่องสามก๊กเนี่ยที่เรียกว่าจูลง่งท่านผู้ฟังที่ได้เคยอ่านวรรณกรรมเรื่อง3ามก๊กคงจะรู้จักนักรบที่ชื่อจูโล่งนะเป็นนักรบที่เก่งมากอยู่ในฝ่ายของเล่าปี่นักรบที่ชื่อจูโล่งเนี่ยเก่งยังไงวรรณกรรมวีรกรรมนะของจูโล่งเนี่ยมีหลายตอนตอนหนึ่งก็คือตอนที่เขาเข้าไปฝ่าทับลาปาเต้าลาปาเต้าเนี่เป็นลูกของเล่าปี่เป็นลูกชายคนโตที่เกิดจาก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 ่วนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีเนี่ยเขพบว่าอา้าวคู้หญิงของเล่าปีไม่ได้มาด้วยนะจูร่งก็เลยรับอาสาเข้าไปฝาทัพบุกเข้าไปเพื่อรับตัวอาต้ามาในะวิธีกรรมในครั้งนั้นเนี่ย เ, เนื่องจากว่าต้องฝาทับคนเดียวนะเข้าไปบุกทับบุยกกซึ่งแข็งแรงมากตอนนั้นเข้าไปคนเดียวซุนคะู่หินผููหญิงของเล่าปีก็เสียชีวิตในที่นั้นด้วยเหลือแต่ลูกออกมาก็อันนี้เป็นวิธกรรมแรกนะที่ทําให้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 ฝ่ายแม่ทัพของกังตังก็เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ทุกทีล่ะจูรงองบอกอย่าเข้ามาเลยนะจะเป็นการทําลายความสัมพันธ์ของสองก๊กต่างๆฝ่ายนู้นก็ไม่ฟังกําลังจะเข้ามาเข้ามาประชิดละจูรง้งบอกงั้นจะยิงเกาทันนะฝ่ายนู้นก็ยิงมาเลยไม่กลัวจูร้งก็ยิงเกาทันไปปุ๊มดอกหนึ่งแม่ทัพฝ่ายนู้นก็คิดว่าจะยิงตัวเองใช่ไหมก็เลยแต่จริงๆจุดหมายของเกาทันเนี่ยไม่ได้ตัวคนแต่ไปอยู่ที่เชือกที่รัด เสากระดงเรือกับใบเรือไว้จริงพงเสากระดงเรือเนี่ยหลุดออกจากใบใบเนี่ยหลุดออกจากเสากระดงทำให้เรือเสียการส่งตัวหมุนคว้างอยู่เรือใหญ่นะมีคน500ร้อคนหมุนคว้างอยู่กลางลำแม่น้ำนะในขณะนั้นจุรงก็เลยกับของเบงก็เลยหนีไปไดนะ้เรียกว่าสามารถใช้เกาทันดอกเดียวเนี่ยฝาทับเรือของกังตังที่แข็งแกร่งอรรมาดานี่วีดีกรรครั้งที่2 วิกรรมครั้งที่สาเนี่ยยังมีอีกคือตอนที่ฝ่าทัพรั บ, รบอาเตาเป็นครั้งที่สองนะเป็นครั้งที่สองการที่รับอาเต้ามาครั้งที่2เนี่ยเหตุการณ์เป็นยังไงก็คือในตอนนั้นเนี่ยทางซุนกวนเนี่ยออกอุบายนะให้น้องสาวของตัวเองเนี่ยแต่งงานกับเล่าปี่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองเสฉวนหรือซักเมืองเมืองหนึ่งนี่แหละในตอนนั้นก็รู้สึกเสียแผนการเพราะว่าตัวเองก็เสียน้องสาวด้วยแล้วก็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 พระเจ้าเนี่ยบอกว่าสติเนี่ยเป็นนายทวารสติเป็นนายทวารให้เข้ากับคนที่รู้จักคนไม่รู้จักไม่ให้เข้านะเป็นนายทวารผู้ฉลาดเพื่อในสถานการณ์เนี่ยต้องใช้จูหลงคิดดูถ้าส่งเตียวหูไปนะใครที่เคยอ่านวรกรกรรมเรื่องสากงเนี่ยรับรองถูกเขายั่วนิดยั่วนหน่อยแล้วก็เปิดประตูละสู้รบไปเดี๋ยวเปลี่ยนพล้มเสียท่าอีกนะในลนนักษณะนี้เหมือนกันจิตของเรานะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นประตู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 อย่างนั้นแล้วเราก็เหมือนกันคุณปฏิบัติธรรมด้วยคุณถึงจะบอกสอนธรรมะได้คุณเรียนพุทธวจนะด้วยถึงจะพูดสิ่งที่เป็นพุทธวจนะได้แล้วเรารู้เราเห็นอะไรเนี่ยเราก็เอามาปฏิบัติและเวลาที่เราปฏิบัติอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถช่วยพระเจ้าหมุนธรรมจกักรคนที่บอกว่าคนอื่นอย่าด่าอย่าด่าให้ดูทําตามสัมมาวิชชาแต่ตัวเองล่ะถ้ายังพ่นไฟอยู่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 สตินี้สำคัญมากนะเราทาอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายสบายทั้งใจสบายทั้งกายนะวันนี้ก็ตามใจฉันละนะคราวหน้าที่หมอรันตนพงศ์กลับมาก็จึงจะค่อยเอาคำถามต่างๆมาตอบถ้าใครมีคำถามอะไรก็ให้ส่งมาทางเพ a w ว h a m มะ c o m ได้และเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นตอนตามใจฉันประนจะเพิ่มเตมิมอีกนิดหนึ่งว่าเราอยู่ในกระแสแห่งตัณหา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 สู้ด้วยความอดทนสู้ด้วยความมีเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนสู้อย่างนี้เรียกว่าสู้แล้วมีสติด้วยคนจะสู้อย่างนี้ได้ต้องมีสติอย่าท้อแท้ให้ปฏิบัติต่อไปเราจะถึงชัยชนะได้เราจะเป็นผู้ที่เรียกว่าให้กิเลสเนี่ยมันอย่ามาสู้กับเราได้พระอาหันต์ก็แล้วแต่เถอะก็ยังมีตัณหาเนี่ยมากระทบกระเทืนอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านมีสติไงในการที่จะปล่อยวางตัณหาณนะจุดนั้น